คนทุกท่านหลายคนที่มาในงานนี้โดยเพราะถ้าหากว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำสอนของพ่อคำเขียนก็อย่าสงสัยว่าทำไมจึงตั้งชื่องานนี้รวมทั้งการบรรยายเมื่อสักครู่แล้วก็ที่จะบรรยายต่อไป น, นี้ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคำนี้เนี่ยเป็น คำที่หลงพ่อคำเขียนเนี่ยได้พูดไว้ค่อนข้างบ่อยในช่วงท้ายๆของชีวิตท่านท้ายๆนี่ก็หมายถึงว่า5ปี1ิปีนะแล้วก็ยิ่งเมื่อมาถึงระยะท้ายของชีวิตท่านเมื่อท่านอาภาษณหนักดรคมเร็งครั้งที่สองเนี่ยเมื่อต้นปีห้าเจดแล้วท่านเนี่ย ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะว่ามีการเจาะค อ, อท่านก็เขียนและในข้อเขียนของท่านเนี่ยที่เรียกว่าบันทึกยามอาภาบเนี่ยท่านจะเขียนพูดถึงคำว่าไม่เป็นกับไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยหลายครั้งและพูดโดยการให้ความสำคัญในฐานะที่มันเป็นมัคควิธีคือแนวการปฏิบัติ สำหรับลูกศิษย์ของท่านที่ท่านอยากจะฝากเอาไว้และทั้งในฐานะที่เป็นสภาวะที่ท่านได้อาศัยใช้ประโยชน์รวมทั้งเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยควรจะไปให้ถึงนั่นก็คือเป็น วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางด้วยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มได้มาพูดที่นี่เป็นการจะเรียกว่าบรรยายธรรมครั้งสุดท้ายของท่านซึ่งท่านประกาศว่าจากนี้ไปท่านจะแขวนใหม่ละไม่แขวนวนแขวนใหม่ละก่อนที่ท่านจะแขวนใหม่ในวันนั้นที่เนี่ยท่านก็พูดว่าเนี่ย คำสอนของหลวงพ่อเรื่องไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมันเป็นมันเป็นมงกุฎเลยนะนมันเป็นเพชรเลยนะมันเป็นเพชรเนี่ยประดับมงกุฎเลยคือมันเป็นสุดยอดของคําสอนของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะมาระลึก ถ, ถึงคุณของหลวงพ่อโดยเฉพาะในโอกาส80ปีแห่งชาติการของท่านเนี่ยนะก็คงจะไม่มีประเด็นใดที่ เราควรจะมาพูดถึงหรือให้ความสำคัญเท่ากับเรื่องไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะได้กล่าวไปแล้วว่าคำสอนเรื่องนี้ของท่านเนี่ยท่านได้พูดได้ย้าในช่วงท้ายของท่านเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า มันเป็นเรื่องใหม่เสียทีเดียวนักถอยหลังไปเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่อาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังมีความทุกข์เพราะความพิการปี38ได้ทราบว่าหลวงพ่อเขียนเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนลาสังขารไปนานแล้วปี31อาจารย์กำพลสนใจการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียน ก็เลยเขียจนจดหมายมาปรึกษาธรรมะกับหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อเขียนก็เขียนตอบกลับไปซึ่งจดหมายแล้วเนี่ยก็ได้มีการถ่ายสำเนาวไว้อยู่ในหนังสือที่แจกในวันนี้เกี่ยวกับประวัติตอนต้นของหลวงของอาจารย์กําพลข้อความตอนนี้เขาบอกว่าเวลามันทุกข์เนี่ยอยากไปเป็นผู้ทุกข์ เวลาเกิดความเบื่อหน่ายความอึดอัดขัดเคืองให้เห็นให้รู้ว่ามันเป็นแค่อาจจารของจิตอย่าไปเป็นกับอะไรนะอันนี้แหละนะคือเขาคือจุดเริ่มต้นนะของคำสอนที่ตอนหลังงอกออกมาเป็นว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะแต่ถ้าเริ่มต้นด้วย คำพูดที่ว่าอย่าเข้าไปเป็นกับอะไรนะคราวนี้เนี่ยอาตมาอยากจะขยายความสักหน่อยนะในเรื่องนี้ริงอยู่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมันเป็นสภาวะนะมันเป็นสภาวะที่จะรู้ได้เข้าใจได้เนี่ยก็จากการที่ได้ปฏิบัติจนสัมผัสด้วยตัวเอง มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อาศัยการคิดประเด็นนี้เนี่ยหลวงปู่ดูล น, นตุโลเนี่ยนะเมื่อกี้คุณขุนเขาก็อ้างถึงหลวงปู่ดูลถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกท่านเคยพูดว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดถึงจะรู้แต่ต้องอาศัยคิด แต่จะรู้ได้ต้องอาศัยคิดนั่นก็หมายความว่าไอ้เรื่องไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมันเข้าใจไม่ได้ถ้าหากใช้ความคิดมันต้องรู้มันต้องสัมผัส ด, ด้วยตัวเองแต่อย่างน้อยเนี่ยนะไอ้การที่เราอาศัยความคิดบ้าง ก็อาจจะช่วยทำให้รู้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นเรื่องลุ่มลึกไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยการคิดแต่ว่าถ้าจะมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ้างโดยอาศัยความคิดนะแล้วก็ผสมกับประสบการณ์นะของครูบาอาจารย์และจากการที่ได้ปฏิบัติก็คงจะช่วยทำให้เราเข้าใจ สิ่งที่อาจารย์กมพลเรียกว่าเป็นเป็นเพชรนะแห่งมงกุฎหรือเป็นเพชรแห่งธรรมได้ไม่เป็นอะไรกับอะไรคำถามแรกคือว่าอะไรตัวหลังเนี่ยมันคืออะไรอันนี้ง่ายสุดเลยอะไรตัวหลังเนี่ยมันคืออะไรนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าอะไรตัวที่สองเนี่ยหมายความว่าอะไร อันนี้ก็เราก็า จ, จะดูได้จากที่หลวงพ่อมเขียนท่านเคยพูดเอาไว้เขียนบันทึกเอาไว้ท่านบอกว่าเนี่ยมีแต่เห็นนะอย่าเข้าไปเป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปและนามนะอีกตอนท่านบอกว่าการเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยก็คือไม่เข้าไปเป็นกับอาการต่างๆที่เกิดกับกายและใจ นั่นก็หมายว่าอะไรในที่นี้เนี่ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจหรืออาการของกายและใจะพูดง่ายๆเป็นรูปธรรมคือว่าความปวดความเมื่อยนะทุกขเวทนารวมถึงสุขเวทนาด้วยรวมถึงความคิดและอารมณ์เพราะนี่คืออาการที่เกิดกับใจความคิดและอารมณ์สิ่งที่เกิดกับกายนะก็คือ เวทนานะหรือว่าผัสสะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยคำว่าอะไรเนี่ยขอให้เข้าใจนะตัวหลังเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจซึ่งมันเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาเกิดตอนนี้ก็เกิดแล้วใช่ไหมฮะปวดเมื่อยร้อนอาจจะมีความหงุดหงิดอาจจะมีความรำคาญอาจจะมีความกังวลนะนั่นแหละคือสิ่งที่หลวงพ่อบอกว่า ไม่เป็นอะไรกับสิ่งเหล่านี้ตอนนี้คำว่าเป็นอะไรเนี่ยหรืออะไรตัวแรกเนี่ยหมายถึงอะไรอาตมาจะพูดให้มันเข้าใจง่ายโดยจำแนกออกมาอย่างแรกคือไม่เป็นมันไม่เข้าไปเป็นมันมันนี่คืออะไรอารมณ์ความคิดความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้น อย่าไปเป็นมันมีความปวดเกิดขึ้นอย่าไปเป็นผู้ปวดมีความมุ่ยเกิดขึ้นนะอย่าเป็นผู้มื่ยท่านจะกำกับด้วยคำ ว, ว่าเห็นนะเห็นไม่ค่อยไปเป็นขณะนี้เนี่ยนะถ้าปวดมื่ยเนี่ยนะก็แค่เห็นไม่ค่อยไปเป็นผู้ปวดผู้มื่ยหรือเมื่ อ, อกที่ท่านบอกอาจารย์กำพลว่าเมื่อมันทุกข์ อย่าไปเป็นผู้ทุกข์นะให้เห็นมั น, นอันนี้รวมถึงคำว่าดีใจนะพอใจชอบใจนะก็อย่าเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปเป็นมันเห็นมั น, นตรงนี้เนี่ยถามว่าจะทำอย่างไรนะก็ใส่สติสติมันช่วยทำให้เห็น อาการที่เกิดกับกายและใจโดยไม่เข้าไปเป็นปกติคนเราเนี่ยพอมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจเนี่ยมันเข้าไปเป็นเลยแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะช่วยเหมือนกับถอนใจออกมาออกมาเป็นผู้เห็นคราวหนึ่งก็มีนักปฏิบัติเป็นผู้หญิงมาจากในเมืองปฏิบัติกับหลวงพ่อ สักพักสักสองสาวันก็มาปรึกษาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำยังไงดีหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อไม่ตอบหลวงพ่อกลับถามกลับพูดไปว่ายังถามไม่ถูกให้ถามใหม่เธอนิ่งสักพักแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าหนูเห็นมันเครียดเหลือเกินอ่า ต่างกันไหมระหว่างหนูเครียดกับหนูเห็นมันเครียดหรือเห็นหนูเห็นความเครียดเนี่ยหนูเครียดก็คือเข้าไปเป็นละเป็นผู้เครียดแต่หนูเห็นมันเครียดเนี่ยก็คือว่าความเครียดก็อันหนึ่งนะหนูก็อันหนึ่งนะมันมีระยะห่างตรงเนี้ยความเครียดเนี่ยพอมันถูกเห็นนะมันจะหมดพิษสงมันจะคลายพิษสงความกลัวความเศร้าเนี่ย ถ้าถูกเห็นเมื่อไหร่เนี่ยนะอนุภาพหรือพลานุภาพของมันเนี่ยจะลดลงความปวดความเมื่อยถ้าเราเห็นมันนะมันจะทำอะไรใจเราไม่ได้มันก็ยังปวดเมื่อยที่กายที่ขานะพวกนี้เนี่ยนะมันกลัวถูกเห็นนะหรือมันไพ้แพ้ต่อการเห็นนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะซามันจะสงบ มันจะหมดที่สงูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่เข้าไปเป็นเนี่ยนะเอาเฉพาะความหมายเบื้องต้นก่อนเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยไม่ไปเป็นกับทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยนะความเครียด ร, รวมทั้งความคิดฟุ้งซ่านต่างๆซึ่งทำได้ด้วยการมีสติเห็นนะไอ้หลวงพ่อเขียนท่านจะพูดอยู่เสมอ ซึ่งคำพูดนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นเป็นเป็นเป็นหัวข้อนะที่จัดงานเมื่อปีที่แล้วคือเห็นไม่เป็นสติช่วยมากไม่เป็นอะไรกับอะไรในความหมายที่สองเนี่ยคือว่าไม่เป็นปฏิปักษ์กับอะไรเลยมีความปวดความเมื่อยตอนนี้ที่แขนที่ขาก็รู้เฉยๆอย่าไป อย่าไปทะเลาะบ่อแหวงกับมันจะไปผลักใส่มันมีความกลัวกิดขึ้นในใจก็เห็นมันอย่าไปผลักมันอย่าไปกดข่มมันนะตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นมันเป็นหลักมันเป็นเคล็ดลับของการปฏิบัตินะจริงๆความทุกคนเราเนี่ยนะบ่อยครั้งมาเกิดเพราะการที่ใจเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามา ทางผัสสะบ่อยครั้งเนี่ยเราหงุดหงิดเพราะมีเสียงดังนะไม่ทราบว่าเมื่อตอนอภิปรายเนี่ยหลายหลายคนรู้สึกลำคาญไม่มีเสียงดังจากข้างบนนะหลายคนาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่ปัญหาที่เสียงนะที่เราได้ยินแต่มันเป็นเพราะใจเราเนี่ยไปเป็นปฏิปักษ์กับมัน มีเรื่องเล่าว่าเมื่อส0ปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อชาสุพัทโทเนี่ยได้รับนิ ม, มนต์ไปประเทศอังกฤษอาจารย์สุมเมทโทตอนนั้นพันษาก็1 4 4 5ก็ตามไปด้วยสมัยนั้นเนี่ยไม่มีวัดอมรดีไม่มีวัดป่าจิตวิเวกนะเจ้าภาพก็ให้คณะหลวงพ่อชาที่วิหารกลางกรุงลอนดอนชื่อวิหารแฮมสเตด หลวงพ่าชาก็มีจัดให้มีการบรรยายทาการทาสมาธิการสวดมนต์เป็นประจำโดยเฉพาะตอนเย็ น, นเย็นมานหนึ่งนะังกท่านก็เช่นเคยก็นำทาสมาธิแต่บังเอิญเนี่ยตรงข้ามวิหารแฮมสเตดเนี่ยมันเป็นผับเป็นบาร์แล้ว็ข้าใจว่าคงเป็นเย็นวันศุกร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนไปเที่ยวแล้วก็จะมีการ มีดนตรีนะส่งเสียงอุกทึกคึกโครมเข้ามาถึงในวิหารอาจารย์ซุเมโทตอนนั้นบอกว่านั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยเสียงดังยังพอว่าแต่ที่มันร้องไม่เพราะเนี่ยมันแย่มากเลยนะแต่หลวงพ่อใช้ท่านนั่งนิ่งสงบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นเวลาสักส0สิบนาทีพอพอทำสมาธิจบเจ้าภาพชาวอังกฤษก็เข้ามาหาหลวงพ่อชาแล้วกล่าวคำขอโทษขอโทษที่เสียงรบ ก, กวนหลวงพ่อแล้วคณะหลวงพ่อชาท่านตอบยป็นไงท่านตอบว่าโยมไปคิดว่าเสียงมันรบ ก, กวนโยมแต่ที่จริงอะโยมอะไปรบ ก, กวนเสียงตัางหาก เข้าใจไหม ท, ท, ที่โยมทุกเนี่ยพโยมไปรบกวนเสียงตัวโยนนี้ขยายความวนะ่าตัวโยมมันนั่งอยู่เนี่ยแต่ใจเนี่ยมันไปทะเลาะเบาะแว้งกับเสียงนะนะมันไปผักสายมันไปต่อสู้กับเสีย ง, งดังทําไมทำไมถึงดังนะมาดังอะไรวะตอนนี้ร้องเพลงก็ไม่เพราะเงี้ยนเะมื่อไหร่จะหยุดสักทีอยู่ได้ละโเวยเงี้ยนะเนี่ยนะคือใบทะเลาะกับเสียงนี่แสดงว่าเป็นแล้วฮะคือเป็นปฏิปักษ์ กับเสียงนั้นคนเรานะถ้าใจมันเป็นปฏิปักษ์กับอะไรก็ตามมันทุกข์ทั้งนั้นนะ่ะกับหน้าตาที่ไม่สวยกับเสือที่ไม่กินไม่บนใบหน้ารู้สึกไม่ยอมรับมันเนี่ยทุกข์เลยใช่ผมที่เริ่มงอกความเห็นที่ได้อ่านในไาย์ในเฟซบุ๊กครู้สึกไม่ชอบเนี่ยรังเกียจเป็นทุกข์เลยเพราะนั้นเนี่ยนะ การที่เราไม่เป็นปฏิบักษกับอะไรเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะในการช่วยทําให้ใจเนี่ยเราสงบแล้วเมื่อเราไม่เป็นปฏิบักษ์นะการปล่อยวางก็เกิดขึ้นได้ง่ายการไม่เป็นปฏิบัติก็มีความหมายเดียวกันคําว่ายอมรับนะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น ความหมายประการที่สามนะไม่เป็นอะไรกับไรเนี่ยก็คือไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยนะไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยนอกจากไม่เป็นไม่เป็นมันไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันแล้วคือไม่เป็นเจ้าของมันมันในที่นี้ก็อาการที่เกิดกับกายและใจเราไม่รู้ตัวนะความโกรธความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ชอบแต่เพอทีไรนะ เราไปยึดว่ามันเป็นของเราความโกรธเป็นเราความโกรธเป็นของเราเราไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเราก็ยึดว่าเป็นของเราความเจ็บความปวดเป็นของเราและสุดท้ายเนี่ยนะมันก็ยกังมันมันยาบอย่ถึงความสำคัญบรรทัดหมายว่ากายและใจเนี่ย เป็นเราเป็นของเราตรงนี้แหละนะที่มันทำให้ทุกข์นะเพราะพ อ, พอกายนี้เนี่ยมันเริ่มเสื่อมไปความทุกข์เกิดขึ้นทันทีกายของเรากายของกูแต่ว่ามันเสื่อมไปมันมันเริ่มแก่มันเริ่มหย่อนยานนะความคิดจิตใจที่เคยจำได้แม่นคิดอะไรได้คล่อง แต่ว่ามันไม่มันไมนเน่เป็นไปดั่งใจแล้วความสุกใจของเราใจของเราเนะียไปยึดมันเมื่อไหรเนี่ยพอมันแปลเปลี่ยนไปเนี่ยทุกเลยนะประเด็นนี้คุณขุนขาก็ได้พูดเอาไว้แล้วนะแต่แต่ว่าอยากจะขยายความให้ให้ชัดวันเนี่ยโือเพราะไอ้เรื่องกายกับใจเนี่ยนะรวมทั้งอาการที่เกิดกับกายและใจ ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ยนะมันทุกทันทีมันทุกเมื่อเริ่มที่เราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นเป็นของเราแต่การปฏิบัติในโดยเฉพาการเจริญสติวิปัสสนาเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นนะว่าอย่างแรกเลยนะมันไม่มีเราไอ้ความยึดว่าเป็นเราเนี่ยกายของเราใจาของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากการ มีความรู้สึกว่ามีเราเราเป็นผู้กระทำทุกอย่างเดินก็เราเดินคิดก็เราคิดปวดก็เราปวดโกรธก็เราโกรธมันมีแต่เรานะแล้วของเรามันตามมาแต่ถ้าเราเจริญสตินะมันดูกายดูใจเห็นกายและเห็นใจอยู่เนือง มันจะเห็นเลยนะมันไม่มันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจเมื่อเดินไม่ใช่เราเดินนะแต่มันเป็นรูปที่เดินหรือกายที่เดินเมื่อโกรธเมื่อเครียดมันไม่ใช่เราโกรธเราเครียดแค่ใจมันโกรธใจมันเครียดและตอนหลังก็เห็นกระทั่งว่าความเครียดมันเกิดขึ้นที่ใจความโกรธมันเกิดขึ้นที่ใจ เริ่มเห็นละเอียดขึ้นแล้วก็เราปวดเราเมื่อยแต่ตอนหลังเห็นว่ามันไม่ใช่เราปวดเราเมื่อยมันเป็นขาที่ปวดแขนที่เมื่อยไอ้ตัวเรามันหายไปเลยนะหลวงพ่อเขียนเพียงแค่ว่ามันขลุ่สติมันช่วยขลุ่จากเดิมที่เห็นเป็นก้อนนี่นะมันเห็นเป็นแค่เนี้ยมันเห็นเป็นอย่างเนี้ยคือกายกับใจแต่ก่อนเห็นเป็นเรานะ แต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยมันไม่เห็นเราละตัวเรามันหายไปมันมีแต่รูป ก, กับนามันมีแต่กายกับใจนะแล้วเราจะพบว่าไอ้อคำว่าเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาในใจมันไม่ได้มีอยู่แต่เดิมเราหรือฉันเนี่ยขอเปรียนเท่งง่ายๆนะคำว่ากอไก่กับบอใบ ไ, ไม้เนี่ยนะ เวลามันอยู่โดดๆเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นอะไรก็แค่ตัวอักษรใช่ไหมแต่พอมันมาเจอกันเข้าไปเนี่ยเรานึกถึงก็แล<ด>กบเรานึกถึงสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมเรานึกถึงสิ่งที่ใช้เหลาดินสอใช่ไหมความหมายนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แต่เดิมแต่มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาในใจใช่ไหมฮะจริงๆมันก็มีแค่ตัวหนังสือกกอกับบอนี่แหละนะแต่เราความหมายมันเกิดขึ้นมาในใจ ความหมายไม่เกิดขึ้นเพราะเราไปไปให้ความหมายมันในใจตอเต่า อ, อ, อันหนึ่งใช่ไหมฮะดอนเด็กอันหนึ่งใช่ไหมฮะมารวมกันเป็นยังไงฮะเปิดได้ ก, กลิ่นนะไหมเเอหม็นใช่ไหมไม่ชอบมันเป็นความหมายที่สร้างขึ้นมาเองในใจไอ้ตัวหนังสือเนี่ยมันไม่ได้บอกเลยใช่ไหมไอ้คาว่าเราก็เหมือนกันคําว่าฉันก็เหมือนกันมันคือสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาในใจ ของจริงมันมีแต่ลูกกับนามีแต่กายกับใจแค่นั้นแหละแต่เราไปปรุงไปสร้างมันขึ้นมาว่าเป็นเรานะมันมีตัวเราเนี่ยซ้อนเป็นภาพซ้อนขึ้นมาซึ่งถ้าเราเจริญสติเนี่ยดูมันเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะว่ามันไม่มีเรามันมีแต่ลูกกับนามีแต่กายกับใจใช่ไหมฮะและตรงนี้แหละนะที่มันจะทำให้ไ อ, ไอตัวเราเนี่ยมันค่อยๆลดลงลดความสำคัญ ไอ้ความคิดว่าความส่งามาว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เนี่ยมันก็จะลดลงเราทำนั่นเราทำนี่มันก็จะลดลงเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่ทำเนี่ยคือรูป ก, กับนามกายกับใจนะมันไม่มีเราและรูป ก, กับนามก็ไม่ใช่เราต่อไปก็จะเห็นว่ารูป ก, กับนามเนี่ยก็ไม่ใช่ของเรานะมันไม่เป็นไปตามหน้าของเราตรงนี้แหละที่ทำให้ความการเป็นเจ้าของเจ้าของรูป เจ้าของนามหรือเจ้าของร่างกายนี้เจ้าของจิตใจเนี่ยมันก็สลายหายไปลดทอนหายไปไม่เป็นอะไรกํเลยคือไม่เป็นเจ้าของรูปกับนามไม่เป็นเจ้าของกายกับใจเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติมันไม่ใช่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับบัญชาไดนะ้และต่อไปก็จะเห็นนะในความหมายที่4ี่ก็คือเห็นว่า ไม่ใช่แก้การกับใจที่เราไม่มีความสำคัญมั่หมายว่าเป็นเจ้าของมันไม่เป็นอะไรกับไรายังหมายถึงว่าไม่เป็นไม่สำคัญมา่มายเป็นเจ้าของอะไรเลยนะไม่ใช่แค่การกับใจแต่รวมถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวทรัพสมบัติบริษัทบริวารคนรักอันนี้รูปธรรมหรือนามธรรมนะก็ได้แก่ชื่อเสียง ผลงานความสําเร็จคําว่าอะไรเนี่ยนะตัวหลังเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่กายกับใจล้วมันรวมมาถึงทุกอย่างเลยอาตมาช่วยหลวงพ่อเขียนใต้องการที่อธิบต้องการจะบอกอย่างนี้ด้วยว่าคําว่าอะไรเนี่ยนะมันคือทุกอย่างซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าสังขารหรือภาษาชาวบา้านเรียกว่าสรรพสิทธินะยกเว้นนิพพานเนี่ย อ, อะไรเนี่ยความหมายมันกว้างหมดคลุมทั้งโลกเลย นะเริ่มตักกายกับใจแล้วก็ไปถึงสิ่งที่ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ไม่มีความสำคัญมันหมายว่าเป็นเจ้าของมันนะเพราะรู้ว่ามันเป็นของใครไม่ได้นะมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าไปยึดว่าเป็นเจ้าของเมื่อไรเนี่ยทุกเลยนะก็จะพ้นไม่มีทางพ้นจากอำนาจของกิเลสหรืออานาจของมาน มันมีคำสนทนาของมาร น, นะที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกนสนทนาผู้เจ้าบอกว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดว่านี้ของเราทั้งยังกล่าวว่าของเราของเราของเราถ้าใจของท่านยังฝังอยู่ในสิ่งนั้นท่านก็จะไม่พ้นจากอำนาจของเราได้ ก็คือว่าถ้าไปยึดถ้าไปสําคัญว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรก็ตามนี่ของเรานี่ของเราจะไม่มีทางพ้นอํานาจพ้นจากอํานาจของมานแล้วก็จะไม่มีทางพ้นจากเงื่อนหมือของความทุกข์ได้นะประเด็นนี้ก็ได้พูดกันไปแล้วนะเมื่อรายการที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเะนี่ะเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยนะมันคือสิ่งที่เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราไปยึดมัน่น ไปสำคัญมันหมายว่าโนนนี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้าเป็นเมื่อไหร่เนี่ยทุกทันทีเทวดาเนี่ยเคยคุยเคยสนทนาผู้จใจตอนว่ามีมีบุตรก็สุขเพราะบุตรมีโคก็สุขเพราะโคนะผู้เจ้าตัดว่าพูดแย้งว่ามีบุตรก็ทุกข์เพราะบุตรมีโคก็ทุกข์เพราะโค มีในที่นี้เนี่ยหมายถึงเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหรือมีความสําคัญบ้างเป็นเจ้าของเจ้าของเจ้าของของชั้นของชั้นถามว่ามีโดยไม่ยึดได้ไหมก็ได้นะนะพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเสว่าในเมื่อเราไม่สามารถจะยึดว่าอะไรเป็นของเราได้ก็สละทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เชิงขนาดนั้นเมื่อเหมือนกับลทัทธิเชนลทัทธิเชนเนี่ยเขาถือว่าไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยเพราะฉะนั้นเขาสละหมดเวลาออกบวชเนี่ยจะเป็น เศรษฐีข้าบดีเนี่ยเขาจะสละทุกอย่างแล้วเขาก็จะออกบวชและไม่ใช่เท่านั้นนั้นแม้ทั่งเสื้อผ้าก็สละด้วยไม่มีสมบัติเลยแม้แต่น้อยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่ยึดมั่นว่าเป็นเจ้าของอะไรเลยแต่ทางพุทธศาสนาไม่ได้มองไปถึงขนาดนะั้นมองว่ามีก็ได้แต่ไม่ยึดว่าเป็นของเราพนะุพจจัน์ก็มีไตรจีวรมีบาตนะพระสิวลีนี่ก็มีเยอะนะ มีมากกว่าผู้ใจแต่ว่าท่านไม่ยึดว่าเป็นของท่านเลยแจกหมดนะอะไรที่ยังอะไรที่ยังใช้อยู่ก็ไม่ได้ยึดเป็นของเราเพราว่ามีในที่นี้เนี่ยมันแปลว่าไม่ยึดมั่นสําคัญหมายว่าเป็นเจ้าของนะมันไม่ได้แปลว่าทิ้งหมดไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งเสื้อผ้าประการสุดท้ายเนี่ยคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยยังหมายถึงว่าไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นนั่นเป็นนี่เช่นอะไรเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเคยมีมารเนี่ยนะมาล่อลวงมาชักจูงให้พระเถรีท่านหนึ่งคลายความเพียรในการปฏิบัติแล้วบอกเนี่ยท่านเป็นผู้หญิงจะปฏิบัติทําได้อะไรสมองก็แค่เนี้นะมาพูดท้าทายให้คลายความเพียรพระเถรีท่านนั้นก็ตอบนะว่า ใครก็เราไม่เราไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นสตรีหรือบุรุษใครก็ตามที่สําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นบุรุษเราเป็นสตรีให้ท่านไปหาคนเหล่านั้นเถิดไปหาเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ครอบครองอยู่ในอํานาจนะประสิทธิ์นี่ท่านท่านพ้นล้จากความยึดมั่นว่าเป็นผู้หญิงนะไปพ้นละ แต่คนเราเนี่ยไม่ได้สำคัญมา่นหมาเป็นผู้หญิงผู้ชายเราสําคัญมันหมายว่าเป็นอะไรหลายอย่างแล้วความสําคัญ ม, มันหมายแล้วเนี่ยนะที่ยึว่าเป็นเรานี่นะเราเคยสังเกตมาว่ามันไม่เคยคงที่เลยพอเจอลูกก็สําคัญมั่นหาเป็นแม่พอเจอลูกศิษย์ก็เปลี่ยนไปฉันคืออาจารย์พอเจอฝรั่งฉันคือคนไทยพอเจอคนกรุงเทพ ควรู้สึกว่าฉันเป็นคนอีสานก็ผุดขึ้นมาพอเจอคนขอนแก่นความรู้สึกว่าฉันเป็นคนชายภูมิก็เกิดขึ้นพอเจอคนท่าทางเกวียนความรู้สึกว่าฉันเป็นคนท่ามาไฟก็ปรากฏไอความเป็นเรานี่นะมันเลื้อยไปเรื่อยนมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันเลื้อยไหลไปเรื่อยและอะไรที่มันเลื้อยหลไปเรื่อยเนี่ยมันจริงไหมนะมันไม่จริงแต่เราก็ไปเชื่อมันจริงนะและที่สำคัญคือว่ามันทําให้ทุกข์ด้วย เพราะว่ายึดมั่นว่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทุกยึดมั่นว่าฉันเป็นแม่มันก็จะมีความสําคัญมั่นหมายว่าลูกต้องฟังพ่อแม่นะลูกอย่าเถียงแม่นะลูกต้องเรียนตามที่แม่สอนแม่แนะนําถ้าลูกไม่ทําให้เป็นอย่างที่แม่ต้องการทุกเลยเป็นเจ้าวาดนะมันก็มีกิเลสแบบเจ้าวาดนะว่าลูกวัดก็ต้องฟังต้องเชื่อฟังนะ มาถึงก็ต้องไหว้ก่อนแต่หลวงพ่อเขียนไม่มีตรงนี้นะท่านเจอใครท่านไหว้ท่านไหว้ก่อนคนแรกเลยนะอาจารย์กับชีพบว่าเนี่ยหลวงพ่อเนี่คําเขียนเป็นเสือปืนไวัยนะไม่มีใครที่จะไหว้ท่านก่อนเลยนะท่านไหว้ก่อนคือ ถ, ถ้าไม่มีความสัมพันธ์หมายในในเรื่องว่าในเรื่องนี้เลยนะในเรื่องว่าเนี่ยฉันเป็นเจ้ครูฉันเป็นเจ้า อ, อาวาสฉันเป็น พันเตนเนี่ยเธอต้องไหว้าาฉันเคารพฉันก่อนอะไรทำนองนี้นะหรือว่ามาฉันอาหารก็ต้องต้องมีลูกศิษย์ไปเตรียมจานชามมาให้อย่างที่จางกันชิดเล่าเนี่ยนะอันนี้หลวงพ่อคำเขียนท่านไม่มีเลยนะไอความสำคัญบัรนหมายในลักษณะนี้แต่คนส่วนใหญ่มีพอ ม, มีแล้วเป็นไงทุกข์ฮะมีแล้วทุกข์คนเราทุกข์เพราะความเป็นนั่นเป็นนี่ ตมาเคยไลฟ์ฟังแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีฝรั่งถามหลวงพ่อชาว่าทางเถรวานเนี่ยนะถือว่าอารหันเนี่ยเป็นสุดยอดเป็นอุดมคติมหายาเนี่ยก็ถือว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นอุดมคติของชีวิตเขาสับสนมากเพกื่อเลยถามวา่าจะเป็นอะไรดีนะระหว่างโพธิสัตว์กับพระอรหัน หลวงพ่าเฉาบอกไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะเพราะเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อมีคนมาถามพรงว่าท่านเป็นเทวดาหรือพระองค์บอกไม่ใช่ท่านเป็นคนทันหรือพระองค์ก็ปฏิเสธท่านเป็นยักษ์ใช่ไหมพระองค์ปฏิเสธเมื่อปฏิเสธมัก็เหลืออย่างเดียวนะคือเป็นมนุษย์หรือเปล่าพระองค์ก็ปฏิเสธงงเลยนะตกลงพระองค์เป็นอะไรพระเจ้า ก, ก็ตอบว่านเนี่ยไอ้กิเลสที่ทําให้ เป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนมษย์เนี่ยพระ่งไม่มีแล้วนะเป็นเหมือนดอกบัวนะที่น้าไม่อาจแปดเปื้อนได้นะก็คือกิเลสไม่อาจจะแตะต้องได้พรุ่งไม่เป็นอะไรเลยแต่ก็บอกว่าถ้าจะเรียกพระองค์ก็เรียกว่าตถาคตถ้าจะเป็นก็เป็นด้วยเพราะรู้ว่ามันเป็นสมมุติ ถ้าจะเป็นก็พราะถนัดหรือพราะเห็นว่ามันเป็นแค่สมมุติพผู้เจ้านี่ก็ท่านก็รู้จักสมมุติผู้เจ้าก็ก็ใช้สมมุติให้เป็นแต่คสนส่วนใหญ่เนี่ยถูกสมมุติใช้นะถูกคร่อบ ง, งําด้วยสมมุติถูกคร่อบ ง, งําด้วยชื่อเราปล่อยให้สมมุติเนี่ยเข้ามาคร่อบ ง, งําเราเวลาเรากินอาหารเนี่ยกินไก่ย่างกินหูฉลามเนี่ยกินสเส้นเนี่ยนะเคี้ยวในป่ากนี่อร่อยไหมฮะ อร่อยนะฮะดื่มดำมากใช่ไหมแต่ว่าเราคลายลงมาเนี่ยนะคลายลงมาเนี่ยคลายใส่จานก็ได้มีใครบ้างที่คิดว่าพร้อมที่จะฟักเข้าใส่ปาก อ, อ่ะไม่พราะอะไรเพราะรเมื่อคลายออกมันคือขยะใช่ไหมมันคือขยะไปแล้วมันคือปฏิกูลไปแล้วอํานาจของสมมุติเนี่ยนะ มันทำให้เราขยะขยงไอ้สิ่งที่เรากินทั้งที่มันอยู่ในป่ากเราเมื่อกี้นี่เองหวานไหมอร่อยไหมใช่ไหมแต่พอมันมันอยู่ข้างหน้าเรามันเปลี่ยนสภาพเป็นเปลี่ยนขยะไปแล้วสภาพมันไม่เปลี่ยนนะอยู่ในปากเรายังไงอยู่ออกมาก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่สมมุติมันเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนมันไม่ใช่าหารตอนอยู่ในป่าคืออาหารใช่ไหมตอนออกมาคือขยะเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยเพียงแต่ชื่อมันเปลี่ยนอันนี้เราสมมติเนี่ยเราเนี่ยเป็นท่าของสมมุติมาก แล้วถึงกินกินมันไม่ลงเนี่ยใช่ไหมฮะทั้งที่มันเมื่อกี้ยังอร่อยอยู่เลยยังอยากจะเคี้ยวนานๆ น, น, นะแต่พอเห็นมันเนี่ยกินไม่ลงนะเพราะไปยึดมั่นกับสมมุติว่ามันคือขยะมันคือปฏิกูลก็เลยกินไม่ลงอันนี้เราว่าเราเนี่ยนะเป็นท่าของสมมุติเราไม่ได้ใช้สมมุติแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยจะว่าสมมติมันใช้เราก็ได้นะหรือว่าตกอยู่ในอำ น, นาจของสมมติไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยไม่มีความสำคัญไม่หมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่นะราบนนี้อาตมา ก, ก็พยายามจำแนกนะพยายามจำแนกว่าความไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างคือหนึ่งไม่เข้าไปเป็นมันสองไม่เป็นปฏิปักษ์กับมัน สามไม่ยึดมั่นเป็นเจ้าของมันนะกายกับใจแล้วก็รมทั้งไม่ยึดมั่นสำคัญหมายว่าไอสิ่งที่ไม่ใช่กายไม่ใช่สิ่งที่องตัวนี้เป็นเราเป็นของเราคือก็คือไม่สำคัญมากเป็นเจ้าของมันและสุดท้ายคือไม่สำคัญมาก เ, เป็นนั่นเ <c oughs> ป็นนี่นะอันนี้เป็นเรื่องยากที่สุดนะไม่สำคัญมากเป็นนั่นเป็นนี้แต่ และมันใช้สติอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ปัญญาด้วยจนกระทั่งสามารถจะเข้าใจเรื่องสมมุตินะสามารถที่จะมองทะลุไอสมมุติที่เราไปยึดติดเข้าใจเข้าใจในเรื่องของความเป็นอนัตตาความว่างเพราะฉะนั้น ส, สุบแล้วเนี่ยไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยถึงที่สุดก็คือการปล่อยวาง น, นั่นเองกล่าวอย่างสั้นๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่หลวงพ่อคําเขียนนั่นก็พูดไว้นะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ ถึงที่สุดแล้วคือการปล่อยวางทางจิตปล่อยวางทางจิตนะฮะทำจิตยังทำอยู่ลูกไม่ใช่ของเราแต่ยังดูแลลูกส่งเสียลูกสั่งสอนลูกนะรถไม่ใช่ของเราแต่ก็ยังยังทำความสะอาดดูแลมันร่างกายไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าก็ดูแลมันให้สะอาดป่วยก็รักษาเขา้าใจไหมฮะปล่อยวางคือปล่อยวางทางจิตส่วนกิต ก็ยังทําอยู่นะหน้าที่ก็ยังทําอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนะความที่ท่านไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยท่านไม่ได้ท่านไม่ได้สอนแต่ท่านทําด้วยและท่านเป็นด้วยเป็นในที่เดียวกันว่าท่านบรรลุถึงสภาวะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคําอธิบายว่าทํ า, มาทไมหลวงพ่อเนี่ยนะจึงคนเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาและคนเห็นเห็นเห็นเห็นหน้าท่านอยู่ใกล้ท่านก็เย็น หนังสือเรื่องเราลึกถึงหลวงพ่อเขียนครั้งที่สมนะเห็นหรืยังคนระมีแค่เห็นมันมีภาพแค่ภาพภาพอะไรภาพตาเนี่ยกับแว่นเนี่ยคนก็รู้แล้วว่านี่คือหลวงพ่อพ่ออะไรฮะเพราะนั่นคือจุดเด่นของท่านคื อ, ค อ, คอแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาเมื่อไม่เป็นกับอะไรกับอะไรเนี่ยนะมันกม็มีความจริงตัวนะจิตก็มีความเมตตาอย่างกว้างขวางแล้วเมื่อไม่ไม่มีความ ยึดมันถึอมั่งว่าเป็นอะไรตัวตนน้อยจน ห, ห, หรือไม่มีหรือไม่มีตัวตนแล้วก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เสแสร้งแล้วก็พอใจการอยู่แบบเรียบง่ายมีหลายคนพูดนะเมื่อ เ, อเช้าความอ่อนน้อมถ่อมตนของหลวงพ่อความเมตตาของหลวงพ่อความเรียบง่ายของท่านไม่มีกุฏิเลยนะท่านเนี่ยจริงๆดูล่างใหญ่นะฮะแต่เวลาท่านไปพักในป่าเนี่ย หาท่าไม่เจอนะฮะอัตมาตัวเล็กเนี่ยไปอยู่ในป่าเนี่ยเห็นชัดเลยคือท่านเนี่ยกลืนไปกับป่าเลยนะฮะกลืนไปกับป่าเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเ ป, เป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะแต่แต่ก่อนท่านก็ไปค้างในปา่ากลางคืนก็ไปนอนในปา่าใต้ต้นไม้ถ้าเรียกเรียบง่ายมากนะแต่ไม่ใช่มากง่ายนะเพราะพูดถึงความประนิตถีททวนท่านก็มี และเพราะว่าท่านไม่ไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่มีตัวตนน้อยนะหรือว่าไม่มีตัวตนเลยเนี่ยเวลาใครว่าร้ายท่านใส่ร้ายท่านเนี่ยท่านไม่ทุกข์เลยท่านไม่หวั่นไหวนะอัตมาก็ไม่เคยเห็นนะว่าท่านว่าร้ายใครอัตมาอยู่กับท่านสมัยที่ท่านเนี่ยยังถูกกล่าวหาว่าเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์เมื่อเกือบ40ปีที่แล้ว ถูกผู้นํานในหมู่บ้านกล่าวหาใส่ร้า ย, ายเพราะว่าหลวงพ่อไม่เอือ้อให้เขาได้ไประโยชน์จากโครงการต่างๆที่สมัยนัตตมาเป็นค า, า, ารวะเนี่ยเอาเข้ามาโครงการสหกรณ์ข้าวนะอกองทุนหมู่บ้านแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ไประโยชน์เขาก็ปโมโหท่านก็ด่าท่านใส่ร้ายท่านก็ไม่เคยเห็นท่านตอบโต้อะไเล ย, เลยแต่สุดท้ายคนเหล่านั้นก็แพ้ภัยตัวเองบางคนก็กลับมาขอโทษขอโพยท่านคนเหล่านี้เนี่ยชอบไปแล้วเนี่ย เวลาเขาด่าท่านเนี่ยไอ้คาด่านี่ไม่เคยโดนโดนตัวท่านเลยไม่เคยโดนอัตตาของท่านเลยเหมือนกับที่อาจารย์คันชิตเนี่ยได้ยกตัวอย่างนะที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเอามือเนี่ยแล้วก็เอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาดินสอนเนี่ยพุ่งเข้าไปมันผ่านคําด่าเนี่ยมันไม่เคยโดนตัวท่านเลยเพราะอะไรฮะเพราะไม่มีตัวตนจะให้โดนนะฮะหรือว่าตัวตวนนี่น้อยมากเพราะไม่เป็นอะไรกับอะไรเไงฮะ ไม่สำคัญอะเป็นนั้นเป็นนี่ไว่าฉันเป็นเจ้าว่าฉันเป็นพระจะมาพูดกับฉันได้ยังไงเป็นครูนะเป็นชาวบ้านธรรมดาจะทํานี้กับฉันได้ยังไงไม่มีความรู้สึกแบบนั้นถึงไม่โกรธเนี่ยนะว่าท่านยิ้มท่านไม่หวั่นไหววันนั้นเนี่ยอรรมาคิดว่าเวลาเวลาเราพูดถึงคุณธรรมของหลวงพ่อขมเขียนเนี่ยนะก็คอยตรนหนักว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยนะ มันก็คือความไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วถึงเวลาที่ท่านป่วยนะท่านก็ป่วยอย่างไม่ทุกข์อาจจะไม่มีความสําคัญว่าเป็นผู้ป่วดหรือผู้ป่วยได้วยซ้ำท่านหลวงปู่บ้องเขียนผู้เสนอว่าเนี่ยเวลานี้อยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรตอนที่ท่านป่วยนะนะเวลานี้ปล่อยวางไม่เป็นอะไรกับอะไรบางทีท่านก็ตอบว่าเนี่ยธาตุขันตอนนี้เนี่ยเหมือนกองล้อเหมือนล้ อ, ลอเกลียนที่กําลังชํารุด แก้ไขไม่ได้แล้วจึงอยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรในความไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่มันนอกจากทาให้ท่านเนี่ยในยามที่ปกติท่านมีความสุขปกติไม่ทุกข์ไปกับเสียงสรรเสริญนินทาถึงเวลาป่วยนั้นท่านก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรนะเป็นกับว่าร่างกายท่านไม่เอื้อยท่านทําอะไรได้อย่างที่ท่านอย่างที่เราเคยเห็น นั่นก็เรียกว่าเวลาป่วยท่านก็ไม่ได้ทุกข์ม่ไมีความสังคันว่าฉันป่วยเป็นผู้ป่วยแล้ะตมาเชื่อว่าตอนที่ท่านมรณะพาลเนี่ยท่านก็ไม่มีความสังคันว่าฉันกําลังตายนะเราคงทราบนะตมาจะไม่กล่าวในที่นี้ว่านาทีสุดท้ายหลวงพ่อเนี่ยเป็นอย่างไรนะท่านจับไปสงบทั้งที่หายใจไม่ออกแล้วนะเขียนข้อความว่าขอพวกเราขอให้หลวงพ่อตายไม่ต้องช่วยอะไรท่านแล้วพ่อมันไม่ได้ผลเขียนเขียนเสร็จท่านก็พนมมือ ขอบคุณลูกศิษย์นึกว่าขอบคุณที่จริงไม่ได้พนมมือขอบคุณเท่านั้นนะพนมพือพนมมือลาแล้วท่านก็จากไปไปอย่างสงบมากของวันที่ยี่สมสิงหาสองปีที่แล้วนนความไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นแค่ความคิดนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นเนื้อเป็นตัวของท่านหรือว่าเป็นเป็นสภาวะที่ช่วยหล่อเลี้ยงท่านทั้งในยามที่เป็นปกติและในยาม เจ็บป่วยนนในยามตายอาตมารู้พูดไปว่าไอ้ความไม่เป็นอะไรกับอะไรของท่านทําให้ท่านรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะต่อหมู่บ้านต่อสิ่งแวดล้อมขยันทํางานหนักนะแต่ว่ามีความสุขไม่ในชะ่ว่าปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้แปล ว, ว่าไม่ทําอะไรเลยหลวงพ่อเนี่ยท่านปล่อยวางทางจิตแต่ว่าความรับผิดชอบหรือว่าความใส่ใจการการงานการเนี่ยท่านทําเต็มที่ไม่ว่าเรื่องวัดนะไม่ว่าเรื่องญาติโยมไม่ว่านักปฏิบัติการสอนธรรมหรือว่า การอนุรักษ์ป่ารวมทั้งการช่วยเหลือชุมชนสมัยที่ท่านยังยังยั ง, ยงหนุ่มอยู่นี่ถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะการไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนะมันเป็นสภาวะที่ทำได้นะเฉพาะกับหลวงพ่อเท่า น, นั้นหรือนะแต่มาคิดว่าเราแต่ละคนเนี่ยก็สามารถที่จะก้าไปสู่สภาวะนั้นได้ เริ่มต้นจากการฝึกที่จะเห็นไม่เข้าไปเป็นนะเจออะไรขึ้นมาไม่ว่าที่กายหรือใจปวดเมื่อยที่กายโกรธโมโ oh หพยายามเห็นมันเห็นนะไม่เข้าไปเป็นคำความก็จะให้ได้ว่าเห็นคืออะไรนะปฏิบัติไม่ช่วยทำให้เราสามารถจะพูดได้เห็นความแตกต่างได้ระหว่างคำว่าหู้เครียด กับหนูเห็นความเครียดนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้นะปีที่แล้ตมาเคยยกตัวอย่างนะอาจารย์พระอาจารย์ประสงค์ปริปุนโนไปถามเด็กคนหนึ่งคุยไปคุยมาเด็กยุนน่ยแปยขว่คนนี้เด็กฉลาดมากท่านกลบาวว่าหนูเป็นเด็กฉลาดหนูหลวงพ่อจะให้ของขวัญหนูแล้วท่านก็หยิบรูปประคัมขึ้นมาจากย่ามเด็กพอเห็นก็ร้องอูฮู หลวงพ่อประสงค์ก็เลยถามว่าหนูร้องอุู้หนูเห็นอะไรทีแรกคิดว่าเด็กจะตอบว่าหนูเห็นลูกประคำเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจเด็กเขาแยกออกนะระหว่างเห็นกับเป็นน่ะคุณเข้าใจไหมหนูดีใจคือหนูเป็นผู้ดีใจแต่เด็กบอกหนูเห็นข้างในมันดีใจท่านถามต่อว่าแล้วหนูทํายังไงกับมันหนูไม่ทํำอะไรกับมันเลยค่ะหนูก็แค่ดูมันเฉย อันนี้แหละคือสิ่งที่หลวงพ่อําเขียนสอนคือรู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อก็คือดูเฉยเฉยเด็กคนที่แปดขวบนะสามารถจะเข้าใจและทําไ ด, ได้หนูไม่ไทําอะไรกําเลยคนูแค่ดูมันเฉยเฉยตอนนี้ข้างในมันเบาวลงแล้วความดีใจมันลดลงแล้วความดีใจความเสียใจเหมือนกันอย่างนึงคือมันกลัวถูกเห็นหรือว่ามันภัยค่ะต่ อ, อ ก, การเห็นถูกเห็นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะสงบ ความดีใจพอถูกเห็นเมื่อไหร่มันก็จะสงบความเสียใจถูกเห็นเมื่อไหร่มันก็จะเพ่าลงนะเพราะนั้นเนี่ยการเห็นเนี่ยสำคัญมากแล้วเห็นแล้วเนี่ยก็ให้รู้ซื่ อ, อ เ, ขเข้าไปนะก็คือรักษาใจเใหเ้เป็นกลางกับทุกอย่างไม่เป็นปฏิปักษนะ์เวลามีเสียงดังลาคาเนี่ยแทนที่จิตจะไปเพ่งที่เสียงส่งออกนอกก็กลับมาดูใจเราเมื่อใจยังมีสตินะก็มันก็จะค่อยเพ่ า, พาลงแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ลดลงก็จะไปกดแค้นมัน ช่างมันไม่เป็นไรหลวงพ่อเขียนเนี่ยท่านพูดนะว่าคนเรามันจะมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่มีสตินะมันจะโอยหลนะวงพ่อบอกว่าไม่ถูกนะต้องอืออย่าโอยให้อือเสียงดังนะของแหลมแทงนะรถติดจะโอยอือเอือแปลว่าอะไรอือแปลว่าเห็น แปลว่ารู้เฉยๆโอ๊ยแปลว่าไม่ไหวแล้วอือแปลว่าอะไรไม่เป็นไรแล้วนะคุณทำแค่เนี้ยทําได้ไหมะนะเวลามันโอ๊ยเมื่อไหร่เนี่ยนะให้รู้แล้วว่านี่เข้าไปเป็นแล้วนะเปลี่ยนให้บางอืออืช่างมันไม่เป็นไรนะเห็นผมงอกนะก็ไม่ต้องโอ๊ยอือมันเหี่ยวเออก็ไม่ต้องโอ๊ยอือฮนะ อ้านี่นะฝึกนะคุณฝึกต้องฝึกในเชื่อประจันทร์ไม่มีเราไปปฏิบัติธรรมในวัดก็มาฝึกแบบนี้แหละนะแต่อย่างที่ว่านะคือว่าอะไรที่ต้องต้องก็ควรทำป่วยอย่าโอยอือแต่ว่าก็ต้องรักษานะะผมงอบคุณยังย้อมก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็ให้เอือไว้ก่อนนะอันนี้แหละที่ความหมายของพราะว่านับภาวนานต้องเปลี่ยนล้ให้กลายเป็นดีเปลี่ยนโอยให้กลายเป็นอือให้ได้นะ ท่านผู้อยู่เสมอเปลี่ยนทุกอย่างเป็นธรรเปลี่ยนลงให้เป็นความไม่หลงเราต้องฉลาดในการเปลี่ยนไายกายเป็นดีของร้ายๆเนี่ยนะถ้าเรามีสติเห็นมันเนี่ยมันจะกลายเป็นดีความโกรธ ถ, ถ้าเรามีสติเห็นมันเนี่ยมันจะสอนทําให้กับเราไม่ทำเราจะเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามก็จากนี้แหละก็าจากสิ่งที่อาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่ากุศลหรืออกุศล น, นะเราก็จะเห็นว่อาออไความปวดเนี่ยนะความปวดนี้เราไม่ชอบแต่พอเรา เราดูมันไม่ค่อยเป็นเป็นมันก็จะเห็นอ๋อความปวดมันเกิดกับกายมันไม่ใช่เราปวดแลวจริงๆมันก็ไม่ใช่ขาปวดด้วยซ้าความปวดมันแค่อาศัยกายเป็นที่เกิดตอนนี้แหละที่เราจะเริ่มเห็นแล้วนะว่าเวทนากับรูปเนี่ยมันคนละอันกันนะไอ้สิ่งที่เรียกว่าแยกขันเนี่ยคืนนี้ไฟเวลาเราขัดเวลาขัดไม้นะไฟมันก็จะเกิดขึ้นจะไ่เข้าใจว่าไฟมันอยู่ในไม้นะ มีใครคิดว่าไฟอยู่ในไม้吗ไม่มีใช่ไหมฮะไฟมันแค่อาศัยไม้เป็นที่เกิดแต่ไฟกับไม้นี่คนละตัวใช่ไหมฮะไฟไม่ได้อยู่ในไม้เหมือนกันนะเวลาคุณปวดเนี่ยมันไม่ใช่ขาปวดนะความปวดไม่ใช่คุณนะและความปวดก็ไม่ใช่เป็นส่วนของขาคุณด้วยแต่มันอาศัยขาเป็นที่เกิดเวทนากับรูปเนี่ยมันคนละอันคุณเห็นเงี้ยคุณมองดูเงี้ยคุณก็จะได้ได้ธรรมมาแคุณได้ปัญญาแล้ว ปัญญามา่างไห น, นปัญญาก็จากการที่อาศัยความปวดที่เกิดขึ้นทุกเวทีที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันไม่ดีสําหรับคนทั่วไปแต่พอคุณเห็นมันเนี่ยคุณกําลังเปลี่ยนทุกให้เป็นธรรมเปลี่ยนความปวดให้แสดงสัจธรรมออกมาแล้วถ้าสามารถทําได้มากกว่า น, นั้นเนี่ยนะทำอย่างที่หลวงพ่อบูตคุยเสมอรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึก รู้กายเคลื่อนไหวขยายหน่อยเมื่อเวลาทําอะไรตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะอาบน้ําตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเวลาทําอะไรใจก็รับรู้ปกติเวลาเราทําอะไรเนี้ยมันต้องอาศัยกายเคลื่อนไหวเมื่อกายเคลื่อนไหวนะก็รู้รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจคนเราเนี่ยถ้าเราอยากการทํากิจแล้ว มันก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนึ่ที่ที่ประสบเป็นประจำคือมีผัสสะนะทั้งวันในคนเราทําอยู่สองอย่างนะคือทํากิจกับเจอผัสสะไม่มีเกินไปจากนี้เมื่อทํากิจก็รู้กายเพราะเราทํากิจอาศัยกายรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อเกิดผัสสะใจมันกรเพื่อมใจมันคิดนึกใจมันปรุงแต่งก็รู้ใจคิดนึกรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจเห็นใจคิดนึกเมื่อเกิดผัสสะ และตรงนี้เนี่ยเป็นจะเป็น ก, กระบวนการที่ทำให้เราเนี่ยก้าวไปสู่ความไม่เป็นอะไรกับอะไรจากอยาบไปสู่ละเอียดแต่เราก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็คิดว่าคงจะไม่มีเวลาที่จะอธิบายมากไปกว่ น, นี้เพราะว่าตอนนี้ก็ล่วงเลยเวลาไปมากแล้ว้วก็ขอยุติการบรรยายแต่ถึงท่านนี้เราขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาร่วมกันฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตินะหลายท่านก็ มีความเคารพนับถือหลวงพ่อคเขียนมีการส่วนตัวหลายท่านก็อาจจะเคยได้ได้นนฟังคำสอนของท่านทาง YouTube หรือว่าทางเทปบางท่านอาจจะไม่เคยรับรู้เลยนะแต่ว่าก็อุตส่าห์มามาฟังจนถึงเวลานี้นะก็ต้องขอบคุณแล้วก็เชื่อว่าหากเรานำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้นำไปปฏิบัติเนี่ยมันก็จริงจะเป็นการปฏิบัติบูบช า, ยยาแท้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพวกเราด้วยเป็นการสื่อต่อาศาสนาไปในตัว แล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดนะซึ่งได้จัดงานนี้โดยร่วมกับสวนโมกกนะรุงเทพพอจนมาเหตุพุทธไทยธับปัญญูก็ถือว่าได้ช่วยกันทําให้ปณิทานหลวงพ่อนี่ได้แพร่หลายกระจายซึ่งที่จริงก็คือการาเผยแผ่คําสอนของพระพุทธองค์นั่นเองก่อนที่สุดนี้ขออ้างคุณประสิทรัตน์ตรยัยอำเนวยวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันนาสุขาภะละเพื่อเป็นเพระปัจจัยในการทําความยิงงามไปถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนา ขอ้ได้เกิดปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์ได้เข้าถึงภาวะที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรจนสามารถถึกเข้าถึงบรรลุความสุขเกษมสารมีพันนิพพานไปที่หมายด้วยกันทุกคนเทิน